จเจรนั้นท่านสาธุชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกกรกฎาคมพุทธศักราช2546เป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนแปดเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมต่อไปนี้ก็จะแสดงธรรมเทศนา พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขณะที่ฟังก็ขอให้ตั้งสติให้มั่นให้มีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศธรรธรรมในครั้งนี้ทุกๆวันพระเมื่อถึงเวลานั้น ศรัทธาญาติยผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาก็าจะมารวมตัวกันตามวัดต่างๆเพื่อประกอบศาสนากิจที่พระบระมศาสดาพระพุทธเจ้าทรงได้ประทานไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์และความสุข ที่จะตามมาต่อไปการเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอจะงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเข้ามาเ ต, เติมพลังให้กับจิตใจเติมแสงสว่างให้กับจิตใจจิตใจนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ที่ไว้มันจุไฟฟ้าเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่นให้แสงสว่างหรือไปขับเคลื่อนเครื่องจักรชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สามารถทำงานได้แต่หลังจากที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งไฟฟ้าที่บรรจุไวในหม้อแบตเตอรี่ก็จะต้องค่อยๆหมดไปและในที่สุดก็จะไม่มีไฟฟ้าเหลืออยู่เลยถ้าไม่นำไปบรรจุกระแสะไฟเข้าไปใหม่ แบตเตอรี่ใบนั้นก็ไม่สามารถให้แสงสว่างหรือให้พลังงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับเครื่องจักรได้ฉันใดจิตใจของเราก็เป็นคล้ายๆกับหม้อแบตเตอรี่ที่หลังจากเราได้เติมพลังของจิตด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติร ท, ทำบุญทำทานรักษาศีลอย่างต่อเนื่อง แล้วเราเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราหลังจากได้ใช้ไปสักระยะหนึ่งพลังจิตพลังใจก็จะเริ่มอ่อนลงแสงสว่างแห่งธรรมคือความเห็นคือความเห็นชอบปัญญาก็จะเริ่มค่อยๆแสงค่อยๆจะอ่อนลงไปอ่อนลงไปแล้วความมืดบอดความหลงความเห็นผิด ก็จะค่อยคืบคลานตามเข้ามาถ้าไม่ไปรีบเติมกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ให้แสงสว่างกับดวงจิตดวงใจจิตใจก็จะต้องดำเนินชีวิตไปแบบคนที่ไม่มีแสงแสงสว่างอยู่ในที่มืดย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ที่รอบตัวได้เลยไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นอะไร มีคุณมีโทษอย่างไรก็จะกลายเป็นการทำอะไรไปแบบสุนสุนหผิดบ้างถูกบ้างผลที่ตามมาจึงเป็นผลที่มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความเจริญบ้างมีความเสื่อมบ้างส่วนใหญ่ก็มักจะไปในทางที่เราไม่ปรารถนากันก็คือไปสู่ทางแห่งความเสื่อม แห่งความทุกข์แต่ถ้าเราได้มันเข้าวัดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็สักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเติมพลังเติมแสงสว่างแห่งธรรมะเราก็จะสามารถดาเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยดีเพราะเรามีแสงสว่างนำทางแสงสว่างนี้ก็คือปัญญาเลือกความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองว่าอะไรเป็นเหตุ ที่จะนํามาซึ่งความสุขอะไรเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุอันใดเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญเราก็ดําเนินไปตามเหตุนั้นความสุขความเจริญซึ่งเป็นผลก็ย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปถ้าเรารู้ว่าเหตุอันใดเป็น เป็นเหตุที่จะนามาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียเราหลีกเลี่ยงเสียเราไม่ไปกระทำเหตุนั้นๆพลนที่เราไม่ปรารถนาคือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราขาดปัญญาสมาธิถีบความเห็นชอบเราก็จะเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นสุขเป็นทุกข์ได้เห็นทุกข์เป็นสุขได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไปคว้าสิ่งที่เราไม่ปรารถนามาใส่ตัวเราทาั้งๆที่เราปรารถนาอีกสิ่งหนึ่งแต่เพราะความมืดบอดของจิตใจความที่ไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษไม่เป็นคุณแต่เนื่องจากถูกกำนาของความหลงครอบงำอยู่ทำให้เห็นกับตาลปัดไปกลายเป็น กลายเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่เป็นโทษแต่พวกเราก็ยังหลงติดกันอยู่ก็คือพวกอวั ย, ยมุกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเที่ยวก้ำคืนการเล่นการพนันการครบคนชั่วเป็นมิตรหรือความเกลียดการทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ในสังคมในประเทศจึงยังมีความหมวกมุ่นมัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเขานั้นมืดบอดขาดแสงสว่างแห่งธรรมคนส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ยินได้ฟังพรอธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เลยไม่รู้ก็เลยเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแต่หารู้ไหมว่าเป็นความสุขที่มีโทษอันมาหันตามมาเวลาที่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นก็มีความสุขแต่เมื่อเสพไปแล้วก็กลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นไปยามใดเวลาใดที่ไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมา และเมื่อได้เสพสิ่งเหล่านั้นก็จะมาทำลายเช่นสุรายาเมาถ้าเสพไปเรื่อยๆก็จะทำให้ร่างกายช้ำรุดซุดซมอวัยวะต่างๆก็จะค่อยๆถูกทำลายไปอายุอายุก็จะสั้นลงไปโรคภัยก็จะเบียดเบียนนอกจากเสียทางด้านสุขภาพแล้วยังเสียเว้านเวลาอันมีค่า แทนที่จะเอาเวลานี้ไปทำสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต้องมาเสียเวลาอยู่กับการเสพสุราและเมื่อเสพไปแล้วเกิดอาการเหมืนเมาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ปลอดภัยได้ถ้าไปขับรถก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุถ้าไปทำอะไรไปคุยกับอะไรกับใครเข้า ก็จะต้องเกิดการทราะวิวาสเกิดการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนี่เป็นผลเสียที่ตามมาจากการเสพสุรายาเมาแต่ทำไมคนเราจึงไม่คิดถึงผลเสียกันคิดแต่ผลดีเวลานั่งดื่มกันก็ยกแก้วชนกันยิ้มแย้มเจิงใส แสดงความดี อ, อ์ดีใจร้องชัชโยโห่ฮิ้วยังกลับว่าตนเองจะขึ้นสวรรค์อย่างนั้นทั้งที่ตนเองกำลังจะส่งตัวเองไปสู่นรกแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิคือขาดปัญญาจะไม่สามารถมองเห็นเพราะถูกอำนาจของของความมัวเมาครอบงมจิตใจและเมื่อติดสิ่งเหล่านี้แล้ว จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ชนถ้าไม่ได้เสกก็เหมือนกับคนที่ขาดลมหายใจจะตายเสียอย่างเดียวลองสังเกตดูคนที่ติดสุรามากๆแล้วถ้าเขาต้องมดดื่มสุรานี้เขาจะมีอาการทุรนทุรายอย่างภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าลงแดงคือจะตายให้ได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่แหละคือพิษของอบา ย, ยมุขทั้งหลาย แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเป็นคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ถึงไผเมื่อไม่รู้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เมื่อเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเหมือนกับปลาที่ไปติดเบ็ดนั่นเองเมื่อติดเบ็ดแล้วมันเิ่นออกจากเบ็ดนั้นยากเวลาจะเอาถอดเบ็ดออกจากปากปลาทีนี้มันก็ต้องทรมาน ฉัในใดเวลาที่ติดอบายมุกแล้วแล้วจะเลิกจากอบายมุกนั้นๆก็จะต้องทุรนทุรายจะต้องทรมานจะต้องมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่มันสายเสียแล้วเพราะเมื่อลองไปติดเข้าแล้วมันก็ยากต่อการที่จะดิ้นให้หลุดจากบ่วงของมานคืออบายมุกนั้น แต่ถ้าเราได้เคยเข้าวัดเข้าวาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเราจะได้ยินถึงพิษภัยของอับอา ย, ยมุกทั้งหลายเมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเขแล้วเราใช้นาไป พ, พิจารณาดูตัวอย่างของผู้ที่ติดอบอา ย, ยมุกและดูผลที่เกิดขึ้นกับเขาก็จะทาให้เราเกิดความกลัวของผลนั้นขึ้นมา พอเรารู้ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นเหมือนกับเขาเมื่อเป็นกับเขาเป็นเหมือนกับเขาองมันก็เราก็รู้ว่ามันเป็นสภาพที่ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเราก็จะไม่กล้าทำนี่คืออนิสงส์ผลบุญที่เรามาวัดแล้วได้มาได้ยินได้ฟังทำเราได้แสงสวา่างเราสามารถเห็นเหตุและผลของการกระทาต่างๆ ทั้งเหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีเหตุที่ดีเราก็นำไปปฏิบัติต่อไปเช่นการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการเติมแสงสว่างให้กับจิตใจของเรา ตอนเช้าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกทรมาหากินหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าล้างตาทาธุระอะไรเสร็จเราก็กราบไหว้พระสดมนตสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำจิตให้สงบบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิและปัญญาถ้าเรากระทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะอยู่ในสภาพที่พร้อม ที่จะออกออกไปเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเปรียบเหมือนกับการเตรียมสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนที่เราจะออกจากบ้านถ้าเราตรวจสภาพรถยนต์ว่าน้ําเติมหรือยังน้ํามันมีหรือยังลมมีอยู่ในรถหรือยังอยู่ในยางหรือยังถ้าทุกอย่างพร้อมเราขับรถออกไปรถก็จะพาเราไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่เตรียมสภาพรถยนต์ไว้ไม่รู้ว่าน้ำมันในถังมีเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าน้ำในหม้อน้ำคุณมีมากน้อยเพียงไรเมื่อขับรถออกไปดีไม่ดีก็จะทำให้รถเสียได้ถ้าน้ำในหม้อน้าเกิดรั่วขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ไปเติมในวันรุ่งขึ้นพอขับออกไปเดียวเดียวเครื่องก็จะร้อนแล้วก็จะไหม้เสียไปในที่สุด นี่ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเตรียมรถยนต์มาให้พร้อมกับสภาพที่เราจะไปใช้ต่อไปนั่นเองจิตใจของเราก็เหมือนกันทุกทุกวันเวลาเราออกไปทาภารกิจการงานต่างๆเราก็เอาจิตใจไปใช้งานใช้การถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมสภาพของจิตใจให้พร้อมวันที่เราออกไปวันนั้น ก็อาจจะทำให้เกิดจิตใจมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆก็ไม่รู้จักแก้มีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าก่อนเราออกจากบ้านเราเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจให้อาหารให้พลังกับจิตใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิให้จิตสงบสักระยะหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีความอิ่มมีความสุขมีความปิติ หลังจากนั้นก็ให้เจริญทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันก็คือการเตือนตนให้รู้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลาดพลากจากของรับของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่หนีไม่พน้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้แล้วจะต้องเ จ, เจอกับสภาพเหล่านี้ถ้าเราจเจริญทำบท น, นี้ไว้แล้วเราก็จะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเพราะเมื่อเราไปเจอในสิ่งที่มันไม่คาดฝันแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น อยู่ๆเราอาจจะไปประสบกับอุบัติเหตุต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งไปสู่ความตายเลยก็ได้แต่ถ้าเราได้เจริญธรรมบทนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะไม่เสียหลักจิตใจของเราจะไม่เกิดความว้าวุ่นขุนวัวขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ธรรมดาและเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับ กับเหตุการณ์นั้นๆแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันที่เราออกไปทำมาหากินเราก็ไม่หลงจนเกินไปคือเรารู้ว่าที่เราออกไปทำมาหากินนี้ก็เพื่อที่จะไปหาปัจจัยส mm hmm. เพื่อมาดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่ไปวันวันหนึ่ง mm hmm. เพื่อเราจะได้ประกอบคุณงามความดีสะสมบุญบรารมี ที่จะเป็นเหตุที่จะนำให้เราไปสู่สภาพของต้องการสิ้นทุกข์ในลำดับต่อไปเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะสะสมเงินทองทรัพย์สมบัติให้มากมายก่ายกองจนกระทั่งใช้ไปอีกสิบชาติก็ใช้ไม่หมดไม่ทราบว่าจะสะสมไปทำอะไรเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว นี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่มีปัญญาไม่ได้เจริญทาบทที่บอกว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง<ๆ>ก็เลยมัวหลงอยู่กับการสะสมวัตถุเข้าของสมบัติต่างๆและในขณะที่ออกไปแสวงหา ก็เกิดมีอาการเคร่งเครียดกับการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพราะมีความอยากมีความโลภอยู่มากเมื่อมีความโลภความอยากอยู่มากก็ต้องพยายามหามาให้ได้ตามความปรารถนาถ้าไปเจออุปสรรคหรือไปเจอปัญหาขึ้นมาก็จะเกิดอาการเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาและดีไม่ดีก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทนาไปสู่ การต่อสู้จองเวรจองกรรมไปในที่สุดนี่ก็เป็นเพราะว่าตนเองไม่คํานึงไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้ที่ออกไปทำมาหากินวันนี้อาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้ถ้าเราเตือนสติว่าเราวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตความโลภความอยากนี่มันจะเบาบางลงไปเยอะแต่เราก็ยังต้องดําเนินทําภารกิจของเรา เพราะเรายังต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราและคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทำหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ควรจะรู้จักขอบเขตของการทำหากินว่าทำไปเพื่ออะไรควรจะหามามากน้อยเพียงไรไม่ใช่ปล่อยให้ความโลภความอยากนั้นหลอกพาให้ไปหามา ถ้าสิ่งที่หามาก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกลับเป็นโทษเสียมากกว่าแต่ก็ไม่รู้เพราะขาดปัญญาขาดความเห็นชอบเพราะไม่ได้เข้าวัดเข้าาไม่ไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอจึงเลยเห็นว่าทรัพย์สมบัติเงินทองลาบยศสรรเสริญสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ควรจะสะสมไว้ให้มีมากๆกัน แต่หารู้ไหมว่าราบยุกสารสนสุขนี้ในสายตาของผู้ที่มีปัญญามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้มันมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่แต่คนที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นเหมือนกับคนที่มองเหรียญทิมด้านเดียว คิดว่าเหรียญจะมีด้านสองด้านเหมือนกันเห็นด้านนี้ก็คิดว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนี่คือลักษณะของคนที่มองเหรียญเพียงด้านเดียวแต่ถ้าเป็นคนฉลาดเขาจะพลิกเหรียญกลับขึ้นมาดูว่าเอ๊ด้านนี้กับด้านนั้นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราพลิกเหรียญดูเราก็จะรู้ว่าเหรียญนันั่นมันมีอยู่สองด้านมีหัวมีก้อยฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเหมือนกับเหรียญ คือมันมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียถ้าเรามองแต่ส่วนดีส่วนเดียวเราก็จะเห็นผิดเป็นชอบไปได้เพราะเมื่อปรากฏผลของส่วนที่เสียปรากฏขึ้นมาเราจะทำใจไม่ได้เราจะต้องมีแต่ความทุกข์เช่นของต่างๆไม่ว่าลาบยศเสริญสุขนี้ เราพิจารณาดูเราก็จะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามีหามาได้วันนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถรักษาให้เขาอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่และพรุ่งนี้จะมีใหม่มาเพิ่มหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามีแล้วดีมีแล้วจะต้องอยู่กับเราไปนานๆก็เลยพยายามหากันไป เมื่อหาหามาได้มากก็ทำตนเองให้เป็นคนพิการไปด้วยการอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขกับตนเองทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เลยแต่เพราะความหลง<ม>เห็นคนอื่น<ม>เขามีเงินทองมีทรัพย์สมบัติข้าวของมากมายก็คิดว่าเขามีความสุข ก็เลยพยายามไปหามาเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องเอาเงินเหล่านี้มาใช้สอยเมื่อใช้ไปมันก็เกิดความติดพันกับการใช้เงินใช้ทองวันไหนถ้าเงินเงินทองขาดมือไปก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแล้ว <Yeah. S 1> แทนที่จะปรับตนเองให้อยู่กับฐานะก็ไม่ยอมเสียแล้ว ต้องดินน้นรนหาเงินมาใช้ต่อไปถ้าคนฉลาดนั้นจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตก็มีแค่ปัจจัยสีถ้าเรามีปัจจัยสีแล้วเราก็พอแล้วเงินทองที่เกินไปก่อนนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราเอาไปใช้มันก็จะใช้ให้เกิดโทษกับเราเช่นเราไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้ เราก็จะติดท่ศสายกับของเหล่านี้เวลาจะซื้อของอะไรก็จะต้องซื้อของแพงๆซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้มันก็ทำให้เงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลาบากมันก็หมดไปเมื่อหมดไปเราก็ต้องออกไปหามาใหม่มันก็เลยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความดินน้นรนแสวงหาเงินหาทองและเมื่อไม่ได้มาดําใจก็เกิดความวุ่นวายใจ เกิดความโกรธเกิดความแค้นเกิดความราฆ่าพยาบาลแล้วก็ทําให้ต้องไปกระทําในสิ่งที่ตนจะต้องเสียใจต่อไปเช่นไปทําร้ายผู้อื่นหรือไปทำไปกล่าวร้ายผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้มันก็เกิดจากจิตใจที่ขาดแสงสว่างนั่นเองเมื่อไม่มีแสงสว่างก็ทําให้เกิดความโลภความอยากเมื่อไม่ได้กระตามความโลภความอยาก ก็เกิดความโกรธความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้ต่อกันละกันชีวิตก็เลยต้องดําเนินไปสู่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเรามีแสงสว่างอย่างทำอย่างที่เราใช้เจริญทุกวันตอนเช้าก่อนเราออกจากบ้านเราเตือนตนสักหน่อยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเรานะที่เราออกไปนี่ก็เพียงแต่ไปทํามาหากิน เพื่อที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเราจะได้ทำคุณทำประโยชน์เช่นไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลเพื่อจะได้สะสมบุญบรารมีอันเป็นเหตุที่จะพัฒนาจิตใจชำระขัดเราจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อไปนี่ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วชีวิตของเราในแต่ละวันจะไม่วุ่นวาย เราก็ออกไปหากินตามปกติแต่เราจะไม่ฝ่าไฟแดงคือเราจะไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าเราหามาได้ด้วยความสุจริตเราก็หามาถ้าเราหามาได้ไม่ได้ด้วยความสุจริตเราก็ไม่หาด้วยวิธีทุจริตเราต้องเบรกตัวเราเองทุกครั้งที่เราต้องการจะไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราจะเบรกได้ ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันมันมันมีขอบมีเขตไม่ตายวันนี้ก็จะต้องตายพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความโลภความอยากต่างๆจะไม่มีอำนาจฉุดกให้เราไปกระทาในสิ่งที่เราจะต้องเสียใจภายหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะดาเนินไปได้ด้วยความราบรื่งดีงามได้เท่าไหร่ก็ยินดีกับ สิ่งที่ได้มาในวันนี้ถ้าไม่ได้เลยหรือถึงแม้จะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างก็จะไม่เสียอกเสียใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องปกติของโลกนี้มีมาก็ต้องมีไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้ไปแต่สิ่งที่จะไม่จากเราไปที่จะติดตัวกับเราไปก็คือแสงสว่างแหง่งธรรมคือปัญญาอันนี้ ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมอันนี้ก็จะนำพาเราไปสู่สุขติเราก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมอีกต่อไปเพื่อที่จะได้ประกอบคุณงามความดีสะสมแสงสว่างแห่งธรรมให้มีมากยิง่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นแสงสว่างที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเช่นแสงสว่างที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ถ้าเรื่อนี้ในแต่ละภพแต่ละชาติท่านก็ไม่ได้ทําอะไรท่านก็สะสมแต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่งที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้มีการทําบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมและเมื่อกลับไปที่บ้านก็นําไปปฏิบัติต่อเช้าเย็นก็มีการไหว้พระสวดมนต์ทำจิตให้สงบพิจารณาธรรม อย่างสม่ำเสมอถ้าทำอย่างนี้แล้วแสดงว่าท่านได้ชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันเหมือนกับที่ท่านต้องชาร์จแบตเตอรี่มือถือถ้าวันไหนมือถือของท่านไม่ได้รับการชาร์จแบตเตอรี่รับรองได้ว่าวันนั้นคงจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทุกคน ม, มีมือถือนี่เขาจะรู้อยู่กับตัวเขาเองว่าทุกวันนี้เขาจะต้องชาร์จแบตเตอรี่เสมอเพราะเขาถือว่าโทรศัพท์ ม, มือถือเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัย ที่สำคัญต่อชีวิตของเขาเขาจะทำมาหากินเขาจะติดต่อการค้ากับใครติดต่อธุระอะไรกับใครเขาก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือนี้ถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือไม่มีแบตเตอรี่ไฟหมดก็ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ไม่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือนั้นได้วันนั้นชีวิตของเขาก็จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเช่นเดียวกับผู้ที่เคย ไหว้พระสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นวันไหนถ้าเกิดเขาตื่นสายแล้วไม่มีเวลาพอที่จะไหว้พระสวดมนต์ทำกิจปัจิุบันประจำของเขาเวลาเขาเออกไปจากบ้านในวันนั้นเขาจะเกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่าขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะขัดจะคล่องไปเสียหมด ดังนั้นจึงขอให้เราจงเห็นความสำคัญในการปัดพลังแสงสว่างแห่งธรรมให้กับจิตใจของเราเหมือนกับเราให้ความสำคัญต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราถ้าเราทำทั้งสองอย่างเราก็จะมีเครื่องมา้าเครื่องมือครบบริบูรณ์คือมีเครื่องมา้าเครื่องมือสำหรับรับใช้จิตใจของเรา แล้วก็มีเครื่องม้าเครื่องมือไว้สำหรับสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆที่เราต้องทำธุรกิจด้วยถ้าเรามีทุกอย่างเพราะชีวิตของเราในวันนั้นก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีเราไม่แต่ความสงบมีแต่ความเย็นความสบายแม้จะต้องไปประสบกับปัญหาต่างๆมากมายกายกองขนาดไหน ถ้าเรามีมรณานุสติอยู่กับใจของเราเราจะไม่ให้กังวลกับปัญหาหต่างๆเลยเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วปัญหานั้นกับเรามันก็ต้องจากกันอยู่ดีถ้าเราตายก่อนปัญหานั้นก็หมดไปถ้าเราแก้ปัญหาได้ปัญหานั้นมันก็หมดไปดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยวางมันไว้เฉยๆมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็เกิด เพราะอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นเองเมื่อเราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่กับตัวเรามันก็หมดไปเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เรามั่นชาร์จแบตเตอรี่ของจิตใจอย่างสม่ำเสมอเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นใจไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งผลตำบนใจจิตใจของเราจะไม่มีความว้าวุ่นขุ่นัว จิตใจของเราจะอยู่ในสภาพสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสียก็ไม่เสียใจเพราะพร้อมที่จะเสียอยู่แล้วเพราะคนเราเกิดมาก็รู้อยู่ว่ามาก็มาตัวเปล่าๆไม่ได้เอาสมบัติชิ้นใดมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเมื่อเวลาไปก็ไม่ได้เอาสมบัติไปแม้แต่ชิ้นเดียวเลยสิ่งที่จะเอาไปกับตัวก็คือความสงบหรือความว่าวุ่นเท่านั้นเอง ถ้าเอาความสงบไปก็ไปด้วยความสุขไปด้วยความเจริญไปด้วยความสว่างถ้าไปเอาความว่าวุ่นขุ่นมัวไปก็ไปด้วยความทุกข์ไปด้วยความมืดพบชาติที่จะตามมามันก็ต่างกันไปด้วยสว่างก็ไปสู่สุขติไปด้วยความมืดก็ไปสู่ทุกขตินี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของเราถ้าเราได้ยินได้ฟังทมอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะรู้ว่า